ประเทศที่ถือศาสนาพุทธเป็นประเทศที่สมควรเราจะปฏิรูปประเวาสนามีแต่ประเทศนั้นสมควรประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเปนประเทศในของเรานี่ยคือประเทศที่ประเทศใจแต่ละท่านแต่ละคนถึงพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนเป็นจิตใจที่ไพ่บูรณ เป็นคิดใจที่สมควรสามารถจะทำความดีให้เพิ่มขึน้นได้โดยสะดวกวะติตใจถุกพุทธศาสนาะพุทธโทธรรมโมสัมโคมีที่ใจพทุทธโแปลว่ารู้ละชัวทำดีทํามโมทรงไว้ซึ่งละชัวทำดีสัมโคปฏิบัติเพื่อละชัวทำดี ก็กความืนกันอยู่ที่ดวงใจพระพุทธศาสนาสอนใจสอนใจไม่ให้เป็นหัวหน้าเขาต้องทำทางชั่วไม่ให้เป็นหัวหน้ากายทำชั่วไม่ให้เป็นหัวหน้าวาจาทำชั่วนั่เป็นหัวหน้าของกายวาจาเปทางที่ดีความรักษากายวาจาให้เรียบร้อยคือว่าศีลนัดศีนลงที่ดวงใจ ตั้งมั่นในความดีลงที่ดว ง, งใจเรียกว่าสมาธิลับรู้ดวงใจไม่ให้มีโทษก็เรียกว่าปัญญาลดลงศีลตัดสินลงที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจปัญญารอบรู้ในที่ใจความรับรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาปัญญาเป็นหัวหน้าของธรรมทุกหมวดปัญญาของพระโสดาวัน เป็นปัญญามีศรัทธาเรื่องใสในพระพุทธศาสนาไม่ยินดีในาศาสนาอื่นยินดีแต่ในพระพุทธศาสนาตอนนั้นปัญญาของพระโสราบันจึงไม่ได้สงสัยในพระพุทธศาสนาตกกายะพิจิตรไม่คือตนคือตัวในพระพุทธศาสนานี้รักพุทธปรามาตไม่ลูกครัมในพระพุทธศาสนา อัจจะมาสู hey. well, ้ปาทานไม่คือตนคือตัวในพระพุทธศาสนาเลยย่อมกราบห่ายอย่างเต็มภูมิไม่โลบคำและสงสัยพระพุทธศาสนาเมื่อไม่ลบคำไม่ลบคำสงสัยพระพุทธศาสนาแล้วการปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็สะดวกไม่ลําบากไม่สงสัยว่ารัฐที่อื่นจะเนื้อพระพุทธศาสนาไปเพราะพระพุทธศาสนามีทั้งมนุษย์สมบัติ มีทั้งสวรรค์สมบัติมีทั้งพรมสมบัติมีทั้งนิพพานสมบัติบริบูรณ์แล้วไม่มีที่ใดนๆนจะมาสอนเหนือพระพุทธศาสนาเลยและก็ไม่ได้เปลี่ยนพรบกันพระพุทธเจ้าองค์ใดไหนมาก็มาสอนอันเดียวกันไม่ได้ลบล้างพรบเลยพระพุทธเจ้าจะมากกว่าร้อยโกรธก็ตามจะมาเป็นเป็นแต่ข้างละข้างละค่าวก็ตาม ท่านลาดปีจึงจะมาก็าตามก็มีคําสอนอันเดียวกันเขาทำคําสอนอันเดียวกันไม่ได้รบล่างกันเลยเนี่ฉะนั้นจึงเป็นคําสอนที่เป็นดิ่งของโลกได้ถ้าชาวโลกสั้งโคตไม้โคตหมู่ขึ้นไม่มองดูคําสอนอุพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดพระโสดาบันไม่เสียดายอยากลงละเมิดศีลห้า ไม่ใช่ดาย่าจะถือว่าไม่มีบาปไม่บุญถือว่ามีบาปไม่บุญมีความละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปทำเป็นโรคกบาลคุ้คมครองโรคสองอยางพระพุทธศาสนาสอนขาดเท่านี้ควบคุมโรคแล้วควบคุมโรคคุงไม้แล้วถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วโรค ก, ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ไม่ใช in ่ว่าลูกระเบิดนิวเคลียลูกระเบิดวรมานูหรือเอ็มเท่านั้นเอ็มเท่านี้ไม่มีเครื่องสตาราอาวุธไม่มีนะยางพระพุทธศาสนาสตาราอาวุธภายนอกมีแต่ศสตราอาวุธภายในคือปดเวรปลดภัยเอาอาวุธศีลธรรมเข้าเป็นเครื่องเย็นใจภาณุปฏิบาตอธินนาการมีหุสาสุรา รถดั บ, บันไม่ไเสียดายลองละเมิดเลยก็เห็นว่ามันเป็นทางชี้ไฟเนี่ยฉะนั้นศีลจึงรักษาองค์ท่านท่านมันรักษาศีลยากและไม่ลำบากด้วยสิ่งไหนไม่ใช่ได้อยากลองละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่ลำบากใจมันเชียด้อยากจะถือศาตราอื่นก็ไม่หนักใจใครก บ, บำลังําลายทิ้งแล้วไม่ใช่ได้อยากจะเอาคืนมา มันก็ไม่หนักใจและก็ไม่ลําบากดีไคร่กับไม่เสียดายลงรุย่ยหลงฐานเพลินมันก็ไม่หนักใจและก็ไม่ลาบากดีและไม่ถือเป็นของหนักด้วยไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือเรื่องปิยมดีด้วยไม่เสียดายอยากจะค้าขายเครื่องป่าหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตเป็นอลไรเนื้อสัตว์ตีตัวค่า เพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาข้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พราโรตบาลมาเสียได้ล่วงและเมิดเลยเหตุนั้นจึงเป็นโลกุตระศีลโลกุตระสมาธิโลกุตระปัญญาโลกุตระปฏิปทาจึงทรงพนามว่าสุภิญัา น, นูเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว ตอนน่อแน่นไปก็จะอุชุต่อนน่นไปก็จะยายะต่อนน่นไปก็จะสามีพ้าเปิดประตูแล้วและเิ้นลมปานในเวลาไหนก็มีคติเป็นสองไม่มนุษย์ก็สวรรค์นรกปิดประตูแล้วนักดิเรชานก็ปิดประตูแล้วเบีทุกจำพวกก็ปิดประตูแล้วนักดิรรชานทุกๆจำพวกก็ปิดประตูแล้วพระความเป็นพืชของท่าน ไม่สมฐานะ ท, ที่จะไปเกิดในนรกไม่สมฐานะ ท, ที่จะไปเกิดในมนุษย์ชั้นต่ำไม่สนสมฐานะที่จะไปเกิดในเทวดาชั้นต่ำถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์โลกุตระไม่ใช่มนุษย์โลกีถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาโลกุตระถ้าเป็นพงก็เป็นพมโลกุตระอย่ามมากก็เกิดอีกเก็ชาติอย่าง กางก็เกิดอีกสามชาติอย่างเร็วก็เกิดอีกชาติเดียวก็ขเข้าสู่พระนิพพานก็สําสเร็จพระรหันนั่นพระสวัสดิบาลที่สามารถจะทําพระรหัส น, น, นั้นให้เสร็จเช่นพระอานุ์เป็นพระสวัสดิบาลมานานแล้วจนอายุแปดสิบปีจึงจะสําเร็จพระรหัรสาวันั่นเมื่อได้เรียกว่าเอกภพีเป็นพระสวัสดิบาลรอตำแนง ที่จะสำเร็จพระรหัตเฉยบางท่านก็าสำเร็จพระอนาคามีบางท่านก็สําเร็จพระรหัตในชาตินั้นหมายความว่าตายในชาตินั้นตายขาพระสวัสดวันจึงเรียกว่าพระสวัสดวันเอคาพิธีพระหัตโบลังโหรบ้างรัตะคตุประมะบ้างจะเดินยงกรมภาวนาจนวัดวันวัดคืนก็ตามจะอดอาหารจน ขุ้มผมกุงขนหล่นก็ตามถ้าเสียดายอยาก่องระเบิดชิ้นห้าถ้าเสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นถ้าเสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันถ้าเสียดายอยากจะถือะระดีามดีถ้าเสียดายอยากจะเล่นอาวายัยยมุกทุกประเภทเสดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดู้หนึ่งก็ไม่ใช่พระโซดาบันพระโซดาบันโกรธอยู่แต่ไม่เสียงกับจองเวร เพราะความโกรธของพระโสดาบันไม่สามารถจะฆ่าสัตว์มดดำมดแดงได้แม้ยุงก็ไม่สามารถจะฆ่าได้ไม่เสียดายเลยถ้าเขามาทำผิดก็ไม่จองเวรเออถ้าเขาเค ย, เค ย, เคยทามาแต่ฆ้าก่อนก็ให้แลกกันไปสะถ้าทำใหม่ก็ให้แลกกันไปสะเราจะไม่จองเวรท่านผู้ใดเลยแม่นผู้โสดาบัน มาถึงภูมิปุโรหาบันแล้วพระสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ก็เป็นทางไปเส้นเดียวกันเขมองเห็นฝั่งแล้วเห็นฝั่งพระเนปานคือฝั่งอันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงด้วยพระปัญญาอันชัดแต่เดินยังไม่ถึงแต่ก็ไม่สงสัยว่าจะแวะซ้ายแวะขวาด้านปฏิบัติของท่านไม่สงสัยว่าจะถอยหลังอีกด้วยไม่จะตายคาพันทาง ก็นอนทางไปไม่เรียกว่าจะปีกหนีแม่มีเกิดอีกสามชาติก็ไม่จำเป็นจะต้องถึงใตสนาคมอีกเพราะมันถึงแล้วเกิดมาเ็าเลือกใชเลยมารู้จักเรื่องเลี้ยงสาไม่ใช่ได้จะข้าศัตรลยิึงเหล่านี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะรู้ทั้งนั้นดันงทิศที่โกในทางพระพุทธศาสนาไม้เอาพระสวดธรเป็นต้นไป นันทิสติโกแปลว่าผู้เห็นเองปัจจังแปลว่ารู้เฉพาะตนเองไม้อลสุปัจพัโนเป็นต้นปันก็ที่เขาไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเพราบอกว่าเขาไม่เลื่อมใสอยู่จะจัดเป็นสันติโกก็ไม่สนิทหรือจะจัดเป็นปัจจังก็ไม่สนิทเพราะพระฟั่นเหวือเกินไป ท, ไทําไมจึงอาบหนา้าเพราะร่างกายมันสกรปรก ทำไมจึงทานอาหารเพราะมันหิวก็ทานตามการเวลาที่ไม่ผิดศีลธรรมทำไมจึงรักษาโรคส่วนกายเพราะร่างกายมีโรคและปฏิเสธการรักษาไม่ได้ไม่อันหนึ่งก็ต้องอันหนึ่งทำไมจึงพฏิบัติศียธรรมเพราะใจมันมีโรคมีโกรธม่หลงเพื่อให้ลดหย่อนด้านรอบโกรธลงลงบ้างหรืเหอเสียงแห้งหายไป ถ้าโรคโกรธหลงมีอยู่ในดวงใจการปฏิเสธเพื่อจะบรรเทาโรคโกรธหลงด้วยทานวัตรศีลวัตรภาวนาวัตมีมีพุทธธรรมรง์เป็นหัวหน้าอยู่ที่ดวงใจก็เว่นไม่ได้เ mm hmm. มื่อเกิดแก่เก็บตายมันมีเป็นทุกข์อยู่ประจําโลกประจําสงสารการปฏิบัติเพื่อม่าให้มาเกิดแก่เก็บตายคือพระนิพพานก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกัน ถึงเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะพิจารณาทั้งนั้นค่ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันทำดีก็ได้ดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ได้ชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วอยู่ที่นิพระอากาศภายนอกเลยทำดีก็ทำให้ใจทำชั่วก็ทำให้ใจจ ง, เ ป, จ ง, ง, ป ง, งเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีตามสิกาลังของตนถือและเป็นผู้ใจถึงในทาง คทำชั่วเลยพระพุทธศาสนาสอนจงเป็นผู้ส่งเสริมความดีอันจะถึงได้ถึงที่ใจของตนอย่าไปส่งเสริมความชั่วลงที่ใจของตนเทินพระพุทธศาสนาสอนจงเป็นผู้มีอิสระทางทําดีลงที่ดวงใจเสริญ อ, อย่าเป็นผู้มีอิสระในทางทําชั่วจงทั้งจิตให้บันเทอในการละชั่วทําดี นั่นแหละเป็นคำสอนของพระพุทธญาต่ทั้งหลายนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทำดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทำชั่วให้ใจใจเท่านั้นทาดีทาชั่วให้ตัวเองไม่ใช่พระพุทนเจ้าภายนอกทำให้เรารู้ทมถ้าทาไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทมได้พระบรมศาสตราถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทำได้ นั้นเราจึงเคารพทำอย่างแก่จมไม่กระด้งกระเดียงต่อทำเลยเราไม่สําคัญตัวว่าเราอยู่เนื้อำรำแล้วเคารพทำอยู่เสมอบาปเราก็เคารพเพราะเราไม่ทําเรียกว่าเราเคารพเพราะเราเว้นบุญเราก็เคารพเพราะเราสร้างขึ้นเคารพทางสร้างขึ้นอันหนึ่งเคารพทางเว้นบาปก็คือกิเลสเป็นนายหน้าแล้วก็เคารพอยู่ แต่เราเคารพเว้นเราไม่ครบส่วนความดีเนยเราเคารพรบปฏิบัติความผิดทางไม่ถูกก็เป็นพระก็เป็นพระอาจารย์ให้เว้นทางถูกก็เป็นพระอาจารย์ให้ปฏิบัติตามทําใดใครต่อก็อิจใจก่อขึ้นจิตใจที่มีสติปัญญาย่อมเลีเ่ยงเพ่งเสียก่อนเป็นธรรมเด็ก น, นั้นเขาเรมศาสน า, าจึงยืนยันว่า ทำมีอภการมากสองอย่างสติความในลึกได้ธรรมชัญญะความรู้ตัวล้วเดินไปทําสรุปชุดต่อก็เพราะเราขาดสติเราจับอะไรเปื่องฝ่าป้องเป้งก็เรียกว่าเราขาดสติเหตุนัน้นสติจึงเป็นที่ตัดานานีนที่สั้างปวงจึงบัญญัติไว้ในกรรมฐาน พุทธานุสติแล้วลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่พี่นี่ที่มีในพระองค์และทรงเกือ้อกูลจากผู้อื่นธรรมานุสติแล้วลึกถึงธรรมของพระองค์ที่ทรงบรรลุไว้ทั้งคานุสติแล้วลึกถึงพระนิยสง์จึงมีสติควบคุมอยู่ทุกๆ ก, กรรมฐานการชกตาสติสติกำหนดพิจารณากายสติกำหนดพิจารณาไว้สนา <แ>สติกำหนดพิจารณาจิตสติกำหนดพิจารณาธรรมสติกำหนดพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่ากายนี้ก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเวทนานี้ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนานุปัสสนาสติพิจารณา ได้ที่ข้าวหมองหรือผอมแพ้วเป็นอารมณ์ว่าได้เรียกภาษาป้ายใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิตตานุปัสนาเท่านั้นจิตติกําหนดพิจารณาทำเป็นอารมณ์ว่าทำในภาษาป้ายทำไม่ใช่สัตว์บุคคลต่วตนเราเขาเรียกธรรมานุปัสนาโดยใจความกา็พิจารณากายเวทนาจิตธรรมลงสู่อนัตตาเพื่อไม่ให้ยึดบ้านถือว่านเรเป็นเราเป็นเขา เป็นสัตเป็นบุคคลอันใดอันหนึ่งอนาตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนอนาตตาฝ่ายบาปเป็นฝ่ายให้เว้นอนาตตาฝ่ายบุญเป็นฝ่ายให้ทําให้เกิดให้มีให้เจริญขึ้นอัตตาเสมอกันอัตตาฝ่ายบาปเป็นฝ่ายเว้นอัตตาแปลว่าตัวตนตัวตนฝ่ายบาปเป็นเว้นตัวตนฝ่ายเจริญให้ทําขึ้นนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะทําชั่วให้ใจ ใจเท่านั้นทำดีให้ใจใจเท่านั้นทำชั่วให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะหลุดร่อนใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะเป็นที่สบายใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะวางไว้ต่อใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะได้รับสุขทุกเบาเพระพุทธศาสนามีมากพระไตรปิฎกด้นลงเป็นสามก็คือกายลายกายใจไตรปิฎกกาย ไรพิดกกายชาไรพิดกใจถ้าย่นลงเป็นสองก็กายกับใจถ้าย่นลงเป็นหนึ่งก็คือใจถ้าขยายออกเป็นสี่ก็คือชาติสีหรืออริยสัจสีถ้าขยายออกเป็นห้าก็รูปเวสนาสัญญาสังขารเห็นญาณถ้าขยายออกเป็นหกก็ตาหูจมูกเลี้ยกายใจถ้าขยายออกเป็นเจ็ดก็คือสัตตาวาสเจ็ดถ้าขยายออกเป็นแปดก็อัตถังิีขมะขะแปดถ้าถังิีขมะขะแปดนั่นเองย่นลงมาเป็นไตรสีขา คือศีลสมาธิปัญญาโทษชงเจ็บถ้าขยายออกเป็นเจ็ดก็โทษชงเจ็บถ้าขยายออกเป็นหกก็ตามหุ้นต่ำเกายกายถ้าขยายออกเป็นเจ็ดก็โทษชงเจ็บก็ย้อนโทษชงเจ็บลงมาตรีเชิขาได้เหมือนกันคือเขียนสมาธิปัญญาจะพูดน้อยก็น้อยออกไปจากกายจะพูดมากก็มากออกไปจากกายจะย่อนลงมาก็ย่อนลงมาหายใจจะทําดีมากสักเพียงไหนก็ดีออกไปจากกาจะทําน้อยก็น้อยลงมาหาใจ จะย่นลงมาก็ย่นลงมาหาใจในปัจจุบันไตรสึกายย่นลงมาในปัจจุบันด้านภาวนาจะขยายออกก็ไม่สงสัยจะย่นเข้ามาก็ไม่สงสัยศีลก็้ามอนกันศีลจะย่นลงมาก็เป็นเอกระศีลในปัจจุบันสมาธิจะย่นลงมาก็เป็นเอกะสมาธิในปัจจุบันปัญญาจะย่นลงมาก็เป็นเอกปัญญาในปัจจุบันยกลงไตศึกกากลมกลืนกันอยู่ที่ปัจจุบันนี่ด้านภาวนา ศีลกำจัดจิเลสอย่างยามสมาธิกําจัดจิเลสอย่างปัญญากําจัดจิเลสอยางละเอียดที่เป็นอนุสัยนอนเนืองอยู่ในคันทะคันดานไอ้ที่แท้ศีล ส, สมาธิปัญญาแยกกันไม่ได้ศีล ส, สมาธิปัญญาของพระโสดาบันกลมกืนกันในวัฏจักรดีศีล ส, สมาธิปัญญาของสัพพการมีกลมกืนกันในวัจจุบักรดีศีล ส, สมาธิปัญญาของพระอานาคามี กลมกืนกันในวัจจุบันก็ดีสีนิสสมาธิปัญญาของพระราหันกลมกลืนในวัจจุบันก็ดีสีนสมาธิปัญญาของพระราหันเป็นสีลที่ทรงนอกเหตุนอกผลไปแล้วเป็นสมาธิปัญญาที่ทรงนอกเหตุนอกผลไปแล้วเพราะไม่มีกิเลสเข้าไปสีเข้าไ ป, ย, าไปยึดถือเพราะพ้นไปหมดแล้วนโมพระสัตวดาวันวนโมพระสัพธาารรมนโมพระอนาคามินโมพระราหัน นโมพระสุวันเป็นนโมที่ไหมล่องทางไม่ใช่ได้อยากลงละมิดเส้นหน้าไม่ใช่ได้อยากือสาตราอื่นดังที่กล่ามาแล้วนั่นนโมแปลว่านอบน้อมนอบน้อมเขารบไม่ใช่ได้อย่ากลงระเมิดเส้นหน้าไม่ใช่ได้อยากเสือสาตราอื่นดังที่กล่าวมาแล้วบืงต้นนั้นนโมสักทาคารีก็ละเอียดไปกว่าพระสุวันณนโมแปลว่านอบน้อมนอบน้อมละเอียดไปกว่ากันเขาทำ สูงกว่ากันไปเป็นลําดับนโมพระอนาคามีน้อมน้อมจนไม่โลภไม่โกรธส่วนพระสวัดิ์วันน้อมน้อมโลภโกรธหลงอัญยาบไปขาดไปแล้วโรภโกรธหลงอันหยาบยังแจกขนาดกลางและขนาดละเอียดนโมพระอนาคามีโลภโกรธหลงขนาดกลางขนาดหยาบคดไปหมดแล้วยังเหลือจะหลง นิดนิดเดียวเป็นตะกรอยอยู่ส่วนพระอรหันต์นโมพระอรหันต์รอบๆจนไม่มาเกิเกดแจกีบตายรอบๆจนไม่มีโรคไม่ปวดไม่หลงเรียกว่าพระอรหันต์เรียนนโมจบแล้วใช่หรือไม่ย่นลงมาวิธีภาวนาเราจะจับสิ่งเดียวเราจะจับยังไงฉันทะพอใจรักใครในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียเหมือนประกอบในกรรมฐานที่สร้างไว้ กิตต์เอาใจสักใยในกรรมฐานที่ตั้งไว้นี่มังสามันติตองพิจนาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณที่อย่างนี้มีบริบูรณแล้วอาจชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่แล้ววิสัยพระคือทำในกําลังห้าอย่างศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยาเพียรเหมประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติรละลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งว่าตกลงพระคือทำอะไรครับบางขยะก็กลมเกลืนกันอยู่ในปัจจุบันนั่นเลยนี่แเลยนั่นเลยนั่นก็คือนั่นที่กลนี่ก็นี่อยู่ที่ใจทําแต่ละบับาตรส่งต่อพระานหมดถ้าบารมีแก่กล้ามาแล้วนโมตัวเดียวก็ส่งต่อพระ涅านนโมพระหันเรียนนโมจบแล้วน้อมๆจนจบแล้วนโมแปลว่าน้อมๆหลักของความน้อมๆแต่อํานาจของความน้อมๆเลย มันมีสูงต่ำร่มนอนต่างกันตามฐานอันนอนสัตว์ของแต่ละท่านเช่นปัจจุบันราษฎร์ีปัจจุบันชางอย่างนี้กําลังของมันก็หนักต่างกันปัจจุบันพระสัมมาสัพพุทธเจ้าปัจจุบันพระพจเจปัจจุบันพระธานตาศีนาศพสาวกก็มีน้ําหนักกว่ากันพุทธศรีจําพวกสมมาสัมพุทธจําพวกหนึ่งพเจคัพุทธะจําพวกหนึ่ง พระพุท ธ, ธจำพวกหนึ่งสาวเอกาพุทธจำพวกหนึ่งจะตีเสมอกันไม่ได้เพราะมีคุณภาพและน้ำหนักต่างกันปัจจุบันพระสุรารันปัจจุบันสักขาคามีปัจจบุาาจจบันพระอน า, าคามีปัจจุบันพระทหา ร, รปัจจุบันพระปัจเจปัจจุบันพระสมมาสัพะพะเจ้าจะเอาปฏิฆาเสมอกันไม่ได้เพราะมีคุณค่าต่างกันเขียนสมาธิบัรดาก็อันเดียวกันถ้าเรามาศาสตรา หาใจเข้าข้างหนึ่งและลุกชาติในต่งางรั้วนชาติไม่ไม่ทำไม่ต้องการคนไม่มีปัญญาก็รักษาศีลห้าไม่ได้คนไม่มีปัญญาก็เลี่ยมใช้รพุทธศาสนาไม่ได้คนไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถถึงสุพจักรโนยโชยยะสามีติเหฉะนั้นปัญญาจริงเป็นนายหน้าของธรรมทุกหมวดปัญญายะบริสุทิสติบุคคลจะบริสุทธิในชั้นในดๆก็เพราะปัญญา ปัญญาเรก็จะมีปัจโชโตแสงสว่าเสมอด้วยปัญญาไม่มีมุขคนจะยึดจะเที่ยงความยึดมั่นถือมั่นได้ก็พระปัญญาปัญญาโรก็จะมปัจโชโตแสงสว่าเสมอด้วยปัญญาไม่มีมุขคนจะยึดจะเที่ยงความยึดมั่นถือมั่นได้ก็พระปัญญาลกตัวอย่างปัญญามาดูหนูให้เห็นชัดเห็น อันนี้จังคณะคิดเดียวก็เห็นโลกรอบหนึ่งใช่ไหมเขาโอกเต็มไปด้วยอันนี้จังนั่นด้านปัญญาเป็นหนึ่งนั้นเห็นทุกคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเขาโอกเต็มไปด้วยกองทุกเห็นมีนน้ำตรงคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกส่วนรูปขันก็เต็มไปด้วยดินน้ำฝ่ายลมได้ได้รลบล้วนอันนี้จังได้ได้รลกล้วนทุกขังได้ได้รลกล้วนหน้าตาถ้าเห็นตรายรักอันนี้จังทุกขังหน้าตาชัดแล้วเขาโลกอันนี้ มีตายรักเป็นผู้ปกครองเป็นเมืองเคลนของตายรักเกิดขึ้นในกาแฟนนั้แต่สังขารสังขารได้เกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นก็ดับในอดีตสังขารได้เกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นก็ดับในอนาคตสังขารได้เกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นก็ดับในปัจจุบันเราเรียกว่าเป็นรอบโลกแล้วเมื่อรอบเต็มไปอยู่อย่างนี้แล้วจะทําวิธีไหนก็มีแต่จะพึ่งือสติปัญญาให้เหนือความหลงของตนเท่านั้น ล่ลงของตนลงอะไรว่างลองหนังหุ่มอยู่โดยรอบว่าเป็นของเที่ยงลองหนังหุ่มอยู่รายรอบว่าเป็นจุกลองหนังหุ่มอยู่โดยรอบว่าเป็นของตัวของตนจริงๆจัง ๆ, งๆงงงมันแกะไม่ได้คลายไม่ออกลองหนังหุ่มอยู่รายรอบว่าเป็นของสวยของงามถ้าแม่ลงสี่ประการนี่แล้วก็ข้ามเพศเลยล่ลงไปแน่าในส่วนรูปขันส่วนเวทนาขันสัญญาขัน ขั้ขันยืนย่างขันยันอีกถ้าข้ามลูกข้ามนาม้ำไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วก็ข้ามทะเลหลุงไปทั้งยีรีแล้วถอนกิเลตทั้งรากแล้วทั้งเหง้าแล้วทําแท่ความมีนิดเดียวที่มีมากก็เพราะโมหันโมหันก็หานลงมาหาติใจถ้าใจไม่มีกิเลสก็ไม่มีถ้าเหลบไม่มีสนิมก็ไม่มี ถ้าเล็กดีแต่ก็มมกกไม่มีเส้มเหน็กกเต็มเหล็ตมันมีเส้นเหนเล็กก้อนเตาก็ต้องมีสนิมน็บถ้าเล็กได้ทุกดีแล้วก็ไม่มีสนิมน็ถ้าไม่เล็กซื้อใจว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนอะไรสร้าอดีสร้างอนาคตทร้างปัจจุบันด้วยเ็ศเดียดต่ำเพื่อให้สีงเพเดียสูงธธ ล, ล, ลงมามให้ต่ำเหมือนหายใจเข้าออกหายใจเข้าแ ล, ล้วหายใจออกหายใจออกแล้วหาย ใ, ใจเข้าร้อยออกร้อยเข้าอยู่อย่างนั้น การพิจารณาธรรมะก็อันเดียวกันถ้าที่มาพิจารณาให้มากก็มากออกมาจากอันเดียวพิจารณาให้น้อยก็น้อยหาลงมาหาอันเดียวมากก็มากออกมาจากใจน้อยก็หาย้อนลงมาหาใจหน่วยพิศร้อยพันหมื่นแสนล้านถ้าจะย้อนลงมาก็ย้อนมาหารับอยู่ถ้าขยายออกก็จะขยายออกไปจากลับหนึ่งใช่ไหมถ้วก็ทุกย้อนลงมาหาเอกทุกข์ในปัจจุบันถ้าไปะศีลย้อนลงมาหาเอตศีลในปัจจุบันถ้าพสมาธิ ด้นลงมาหาเอกะสมาเทในปัจจุบันรักษาปัญญารักษาโลกในกองสังขานในปัจจุบันตกลงเสียนสมาธิปัญญากลมกลืนกันอยู่ในปัจจุบันตามฐานันดรข้อใครข้องมอนันฐานันดรข้อใครข้องมันคือฐานันดรเขงพระสวดาวันว่างักษาธรมีว่าอนาธรรมีว่างอนาคันว่าพระประเสธว่ า, ารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่างเรียกว่าฐ า, า น, นันดรเนื่องในข่ายโลกุตระต่ํากว่านั้นลงมาเป็นโลกีเอาเป็นประมาณไม่ได้นะโม โลคีคือ น, น้โมอะไรหน้โมแปลว่านอมนอมน้อมในเลขในผ้าในบัดในเบอร์ะมิจฉาทิฏฐินอบน้อบอ น, นัไนเอาเป็นประมาในก้าวเขาบอกมัธยสรา the จะถือเป็นเกณฑ์ด้ก็แต่พระสวัดิวันขึ้นไปพระทหารยนพุทโธจบพุทโชพระทหา์พุทธโชว์แปลผู้ล ะ, ะเป็นแปลว่าผู้ล่วพ้นจากกิเลสหมดแล้วพุทโชวแม่ามาเกิดพุทโธวแม่ามาแก่พุทโธว์ม่ามาเกิดพุทธโชว์ม่้ามาตา พุทโธไม่พลาดไม่รบมาโกรธไ่หลงธรรมโมกรรมวักันทรงไหวเช่นทํามอันไม่รบไม่โกรธไม่หลงทรงทำทรงไหวเช่นทํามอ้นไม่มาเกิดแก่เกิดตายสังโฆกรรันกันปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเพื่อนไม่รคไม่โกรธไม่หลงบริบูรณ์แล้วปฏิบัติไม่มีโรบมีโกรธม่หลงปฏิบรณ์แล้วแรียกว่าสังโฆเรียนพุทโธธรโมสังโฆจบพระานิเรียนปัจจุบันจบปัจจุบันเขาไม่สอนเราอันเนปัจจุบันเท่ไหร่หลงทาง วั จ, จบันพระจกราราดิ์ก็ละเอียดไปกว่านั้นปัจจุบันพระาคารเส้นปัจจุบันที่ไม่มีโลกมีโกรดแต่มีรลุมอยู่ปัจจุบันพระอทหารโลกโกรดหลุมไม่มีเออนอกดินในอากาศบรนยงค่ําก็ไม่มีรองทําใดคิดใจของพระ อ, นนอทหารก็อย่างนั้นนี่เสือน้ำบรรยงค่ําไม่มีรองทำใดคิดใจของท่านทุกพนแล้วก็อย่างนั้นทําไมเราจะพิจาัณามากแนี่เพราะเราหลงมากรับประพฤตินานมาก ถ้าเราไม่หลงมากเราประพิจารณ์นิดเดียวสิ่งที่มากที่เราหลงก็ดีที่เราไม่หลงก็ดีย่นลงมานิดเดียวเท่าปเข็มสั้นโลย่นโลกลงมาเท่าไปเข็มยัดเยียดขนาดนั้นแหละย่ยนศีลสมาธิปัญญาลงมาเท่าไปเข็มอีกเหมือนกันถ้าย่นสังขารก็ย่นศีลสมาธิปัญญามือนกันถ้าย่นความหลงก็ย่นลงมาอาวิชาในปัจจุบันซะความหลงแล้วก็ย่นศีลสมาธิปัญญาลงมาในปัจจุบันอีก ถ้าศีลนำมาที่ปัญญาในปัจจุบันเหนือความหลงในปัจจุบันไปแล้วก็ข้ามเฉลยหลงไปซั่งถ้าความฉลาดเหนือความหลงย่นความหลงลงมาเป็นหนึ่งย่นความฉลาดลงมาเป็นหถ้าความฉลาดคือปัญญาพระปัญญาพระสติพระปัญญาเหนือความหลงไปแล้วก็ข้ามเฉลยหลงที่นี้ชนะก็ชนะกันอยู่ที่นี่ไแพ้ก็แพ้กันอยู่ที่หัวใจนี่แพ้กิเลสก็แพ้อยู่ในที่นี้ ชนะกิเลสก็ชนะอยู่ในที่นี้ต่อสู้ก็ต่อสู้อยู่ในสนามนี้นี่สนามรบกับกิเลสก็คือสนามใจเขีย น, นสมาธิปัญญาย่อลงขึ้นไปกิเลสมันก็มาอาศัยใจเหมือนกันมันก็มายึดถือตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่รอบเมืองใจเหมือนกันถ้าไม่มหาสติมหาปัญญาก็ไล่มันออกจากนี้นี่นี่จากนี้คอมมิวนิสต์คอมคอมิวนิสต์ก็คือกิเลสมาตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่ที่รอบเมืองใจถ้าสติปัญญา เนื้อแขงแก่งก็ไล่มันหนีได้ถ้าไม่แข็งแกงก็ถูกแพร่มันมันก็บอกว่าใส่หั่นว่าหั่นแล้วล้างหัน่นขี่คออยู่นั่นพูดแต่นอกเข้ามาหาในพูดมากแล้วก็ย่นลงมานี่พูดขยายเอาใจนี่แตย่นลงมาเอออก็ย่นลงมาได้เท่านั้นกจากลักหน่อยคิดร้อยพันหมื่นแสนล้านโกย่นลงมาก็ย่นลงมาหาลักหน่อยอีกเหมือนกันแค่ยู่สี่สิบหาพันาแค่คนนั่นบ้าแค่คนนี้นบา้บาง เทศคนนั้นมากเทศคนนี้นมากเอามารวมกันไว้คบ 8, 000, รบแปดหมื่นสี่菩萨มังกรไอ้ที่แค่ก็มีบทเดียวกันคือเทศแต่ละกันนะกันก็หมายให้ส่งต่อพระิพานทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังบางท่านก็บอกว่าเป็นใจสัการูเป็นแต่สักาเห็น เ, อเนเอรครับพอแล้วพระบาลามีแต่ทราบอะไรหมครับครับพอแล้วเทศโยมเองเช่นด้วยโยมพระพาเะี้เป็นโยมพระบรมศาสดากำลังยินทบาทอยู่ สองสำเร็จพระบรมศาสตราตรงพระมหากรุณาแค่แค่ก้าฟังด้วยเออเรากําลังเรียนพระบาทอยมันไม่สมฐานะหมู่เพื่อนก็มีหลายคนเป็นเิว่อนแถวบางทีพระบรมศาสตราเส้ยนรำพาลก็ได้ใช่ไหมพระเจ้าค่าบางทีกับผมก็เส้ยนรำพานเดี๋ยวนี้ก็ได้ใช่ไหมพไะเจ้าค่าเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากแม้คิดว่านี้เก้าวมาในหมายว่าพระบรมศาสตราไม่ทราบหรอ ปารถเพื่อจะให้ท่านท้งไรยเรานั่นฟั ง, งจพงอจะเข้าใจไม่ได้เข้าไม่ได้หาอุบายเท็พระบรมศาสตร์ของเราเออถ้าอยากนั่นก็ไม่ยากเป็นแต่สาัางวรูปเป็นแสงสว่างเห็นเอ้อครับพอแล้วแต่ขันในปัญสัมพิภาสีด้วยะะปัญจสัมพิทาแต่ขัในใะธรรมะปมัญจสัทาแต่ขันนธรรมมีรุติปัญจสมิาแต่ขันในรุติปัญญานปัญจสัมพิทาแต่ขันในปัิญาคือจะขยายความย่อให้พิสดารก็ได้ ขยายความพิศดารมาย่อกอ็ได้ยกว่าแตกขาเนี่ยพระเจ้าไม่ฟังขยายศีลออกขยายสังขารออกย่นลงมาเขย่นลงมาเป็นหนึ่งเหมือนกันถ้าขยายก็ขยายออกหมดก็ตั้งใจโลกระท้ า, าย่นลงมาเขย่นลงมาหมดทั้งศีลสมาธิปัญญาด้วยย่นลงมาเป็นหนึ่งที่ดีก็หนึ่งศีลสมาธิปัญญารวมกันเป็นคนหนึ่งสู้กันดูดูอยู่ที่นี่อืถ้าสู้ไครก็ข้ามนี่นั่นเดือนายนโยนก็ ย, ย่นลงมานี่ เอกนิบาตคือทำมีบทเดียวทําไมจึงว่าพอแล้วครับเป็นเจ้าสาวก็ร่วงเป็นเจ้าสาวก็นึ่คือยังไงคือหมายความว่าไม่ยึดถือผู้ลูกผู้เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเลา่าเป็นขอเป็นสักเป็นบุคคลไม่สําคัญตนว่ามีในผูู้กไม่สำคัญว่าผู้ลูกมีในตนที่นี่กิเตสตัณหาก็ขาดแตกกระจิงไปเลยไม่มีมานะทิฏติใดๆทั้ทงสิ้น แต่พวกเรามันก็ติดอยู่ในผู้รู้ใช่ไหมเธอไม่รู้เท่าขาเธอไม่รู้เท่ข้าแข่งความรู้กันชกกันใช่ไหมนั่นอนดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ร่องไปอันน่าคตคือผู้รู้ที่กำลังมาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กำลังจะมีใครเป็นผู้พูดอยู่เดีล้วนี้ก็คือสังหารวจีสังหารสภาพอันแสงวายจารชีวิตตกกระพิการ กิจตาสังขารสภาพอันแต่งกิคือเวทนาสัญญาสังขารกายก็สังขารสภาพอันแต่งกายคือลมหายใจเข้าออกใครเป็นผู้พูดเดี๋ยวนี้กายั็สังขารโลภะสังขารกิจตาสังขารท่านั้นพูดอยู่นี้พระนิพพานไม่ได้มาพูดด้วยไม่ได้มาแยงพูดด้วยไม่ได้มาแยงฉลาดด้วยไม่ได้มาอวดฉลาดหรืออดง้อด้วยพระนิพพานไม่ได้มาอวดอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยใครเป็นผู้พูดสวยพระนิพพานก็พระนิพพานเท่านั้นนี่ สวยเทนีครับสังขารจะไปสวยไม่ได้อดีตคืออะไรทำชั้นสูงจริงอดีตคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่ผู้ใดไม่ยิดค้องอยู่ในผู้รู้ใ น, ในปัจจุบันรู้ท่านตามจริงพัะจ้บัตรตามเปจริงรถต้นตามเป็นจริงไม่มมมยึดถือผู้รู้เป็นตนตน็นผู้รู้ผู้งันข้ามเฉลยหลงไปหมดแล้วใครเป็นนักหาความสุขในโลก ควาพระหันนักประชมาทาุกขุตเจ้าหาไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่เห็นทุกครั้งก็ระหัดทุกเกิดแต่ความเมตซับทุกเกิดแต่ใจซับบริโภคทุกเกิดแต่ความไม่เป็นน่เป็นศิ่ทุกเกิด แ, แ, แ, แต่ทำนานที่ปราศจากโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อำนาจอวิชจังเกิดขึ้นแล้วก็แฝงตัวในแต่สาระนี้นั้นพระหันจึงบ า, หาหนายความหล่านี้ของเจ้าตัวที่เคยลงมาซักเข้าสู่พนัธนธุทางไป แบบเยียบเย็นเลยเยิ่งหัวเราะตนตําคิตดดเกิวลงมาในชาติกอนถ้าเราอยากเห็นพระสวาสดิบเราก็ต้องเป็นพระสวาสดิบเสียก่อนถ้าเราอยากจะรู้ว่าเกลือเค็มหรือไม่เค็มเราก็จิต ด, ดิบดูดูเสียก่อนหรือกินดูเสียก่อนส่วนพระจักรพคาดิมีละเอียดไปกว่านั้นส่วนพระอนาคามีธาราคาของเราไม่มี โทสะของเราไม่มีมงคลของเรามีข้อตามแต่ยังอ่อนๆ อ, อ, อยู่ส่วนราคะของพระนาคามีไม่มีโทสะก็ไม่มีขาดไปแล้วพระโสดาบันราคาโทสะอันห ย, ยาบๆขาดไปแล้วแต่ยังอันละเอียบส่วนพระอนาคามีไม่มีเลยพระโสดาบันไม่ใช่ไดยอยากจะฆ่าตัดไม่ใช่ได้อยากจะลักทรัพย์ ไม่ใช่ได้อยากกะพือผิดกระพฤือผิดในกามท่านผู้อื่นที่หวงเหนไม่ใช่ได้อยากจะพู ด, ด, พ ด, ด ม, ม, ม, ดดมุสาไม่ใช่ได้อยากจะดื่มสุรานั่นคือพระสวัสดิวันพระอนาคามิสิงนั้นไม่ใช่ไดอยากจะโลคจะโกธรธสิ่งนั้นก็ไม่นับไกลโกรธไม่มีในพระอนาคามีโลคก็ไม่มีในพระอนาคามิ โรคอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่มีโรคจนเกินเหตุก็ไม่มีส่วนพระสวัสดิบาลก็ไม่อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่นึกว่าจยากแครกศกยกห อ, อพระสวัสดาวันนับแต่เข็มเดียวไปไม่ใช่ไายหลักลักเลยพูดปลดก็เท็เป็นจริงนับจริงเป็นเท็จก็ไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดสิ่งนี้นไม่ ใ, ไมใช่ได้ร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักไกลทาไมจึงไม่ใช่ได้ร่วงละเมินต้องเห็นว่า มันเป็นโทษร้อนร่วนเป็นเวรร้อนร่วนร้วนเป็นภยัยร้อนร้นเหตุนั่นยังว่าเวรละมณีเวรมณีเว้นแล้วนับจะปานาทิวาตไปจนถึงสุรามีระยะเวรละมณีไม่ใช่ได้อยากร่วแล้วเมิดลงไปลําคอไม่ใช่ได้อยากดื่มเลยถ้าเสียได้อยู่ก็ไม่ใช่พระโสดาบันส่วนพระอนาคานี่มีถ้าเนี้ยเสียได้อยากรบอยากโกรธอยากลงอยู่ก็ไม่ใช่พระอนาคาน ส่วลวมีอยู่พระอนาคามีมีอยู่นิดเดียวส่วนโลกก็โกดขาดไปหมดแล้วใครอยากจะทราบตนว่าเป็นพระอนาคามีถ้ามดเข้าหูไม่นึกอยากจะฆ่ามันท่ามดเข้าหูไม่อยากจะโกดให้มันมึงเธอออไม่ได้ว่าไล่เขาไล่ธรรมดาหรืออ า, า, า, า้ามใส่ก็ใส่ธรรมดาไม่มุ่งให้มันตาย ไม่โกรธเลยโกรธไม่มีโอทางคัตวาชุขังเสติฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขคือพระอนาคามีเมื่อฆ่าความโกรธได้แล้วความลบ ก, ก็ฆ่าไปในตัวความหลงของพระอนาคามียังมีอยู่เป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลียวกว่าเขา สามพ่อทีนี่ข้อสี่ทนี่เป็นผู้เสมอเขา man, สําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสําคัญเป็นผู้เป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเป็นผู้เลิศกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเลี้ยวกว่าเขาโหนข้อเป็นผู้เลี้ยวกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขา เป็นผู้เร็วกว่าเขาสำพันต่อ ว, ว่าเร็วกว่าเขาเป็นข้าข้อพระอนาคามียังอยู่ยังพ้นจากกิเลสอันนั้นไม่ได้แต่โรค ก, ก็โกดหายไปแล้วส่วนหลงอันนั่นะหลงอยู่ข้าวข้อถ้าข้ามไปนั้นแล้วก็เป็นพระรหันพระหันไม่สำคัญตัวอยู่ในที่ใดใดเลยนั่งก็สมมุติมานั่งตามตามส ม, มุติยืนเดินนั่งนอนก็สมมุติต้งโตงไม่มีราคะโทสะโมหะเข้าไปสัมพยุต รู้ก็เป็นทศว่ารู้ไม่ยึดถือผู้รู้ว่าเป็นตนไม่ยึดถือถือตวนว่าเป็นผู้รู้นั่งก็พูดนั่งเหมือนเขาแต่ไม่สำคัญตัวานั่งไม่สำคัญว่านั่งเป็นตัวไม่สำคัญว่านึกคิดเป็นตัวตัวเป็นคนนึกคิดแต่ก็พูดตามสมมุติเขาเฉยเฉยอันนั้นพระนาหันโลกโกดลงมามีเลยมีผู้มาดา่ามาข่ามาแกงท่านก็ไม่ตองเวรแต่เขาเป็นบาปสิงนี้ตงนรกสิ่งนี้ จะเขาเป็นบาปมากบาปมากกว่าค่าพระอนาคาเมมากกว่าค่าพระเก้าคาเมมากกว่าค่าพระโสดาวันค่าพระโวสดาวันเป็นบาปมากกว่าผูุ้โชนคนหนาอันอื่นก็เหมือนกันค่าผุ้ตุชนคนหนาค่าถูกพ่อถูกแม่กรมนั้นค่าพระรหันต์เองค่าพ่อค่าแม่ค่าพิกสุทัศนีบาปมาก ฆ่านักโทษก็ยังบาปอยู่นักโทษพอฆ่าแล้วก็ยังบาปอยู่ในสมัยยุงเ ง, งองูรอนทงมักสีจันทุจริตเหรอในยินบหรอทงมักเสีจันยุงเงอุดรเนเห่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นบ้านเมืแล้วเมื่อตะวนันตกกบรถไฟอ่ะเขาออกนักโทษ ผ, ผู้หนึ่งประค่าหันรัชการที่มกนักโทษผู้นั้นมันมันพุ้น มันฟุ่มมันจี้มากสิปีเศร้าปีคณจ้างได้จับเอาไปขาพืน้นึงสมัยนั้นอันเท่าส่วนชีวิตของมนุษย์เพราะป่ากลนี่ยแม่กบอกเชือว่าวดีจกักซวงขากันด้วยซ้ำนัน่นนั่นขานักโทษเอานักโทษเอาไปคาแง่ออกไปจ้างเขาเน่ยรัฐบาลพจา้างจ้างนักโทษจ้างจ้างพิจาราสองคนขานักโทษพอดยเอนผูกติดลักไป รักมันเพให้พ่นข้อเพราะเพี่งเขาใจนี่รักเมืตัดข้อได้ตัดข้อไปมันช่ฆ่ารักเพื่นเพาะให้พ่นข้อผูกแขนแผหลังไหวผูกแขนไผลเขากเสาาอีกตัดข้อตัดสองบาทยันขาดฮะนี่มันกับเป็นโทษเพราะคาจะแก้ฮะนี่อยู่ว่าอยู่าห่างกันยี่ปีสงครามเมนโดีนสงครามเมนโดจีนมากะแล้วไปนอน ไปนอนผิงไฟอยู่ใส่หัวม่วงใส่เกลบอยู่ใส่เกลบนอนด้วยหน้าบ้านแล้วมันหนาวแง้มหนาวเครื่องบินมากเครื่องเดียวเครื่องบินนิยายมากเครื่องบินกับทิมลูกระเบิดแล้วปั๊บหัวเราเนี่ยขาดเลยลูกระเบิดซ่อมนี่ซ่อมกระป๋องนี่ซุ้มใหญ่เนี่ยเขาถิ ม, มใช้รงสีปุ่นมันกับทิ ม, มใช่ฝากวัดั่อที่สมพอ่อนมาแตกถิ ม, มใชโรงสีนี่แตกของวัถือ มันลูก น, น้อยเขากวานแล้วเขาทีมต้องใช้ถือตัวเล่าน้องบัวน้องผูน้องบัวนน้องเล็กน้องบัวน้องบัวที่สถานีน้องบันนงวนี่ก็ผลของกรรมที่เราบฏตัดของอนักโทษนั่นเป็นนักโทษไปนั่งยังตามอยู่ไห้วอากน่นนะพระองค์นึงในศาสนาฝากศาสนาพระโคดมพราไปฝากไปทางหลังเพราะนั่นเป็นเลือสีเขาท่านถือศีลเป็นเลือสีเนี่ยเขาท่านักไปเท่าไป ไปถือกบผงเขาไปแน่นองกลางโรงไักือหัวกบผงกบกระตายเพื่อนกรบอกหงจกมันมันุ่งบังซักไม่เท่าไปไม่เท่าไฟไม่เท่ามันเล็กไปถือกบผงกบผงก็ได้ตาย้ามองเหเพื่อนกระบอกจักมาหอดศาสนาพระพพระพุทธเจ้าเหาเพ่นมาบวชในศาสนาพุทธเจ้าเห่าเพื่อนก็เดินจากลมยเลาะคนทางนี่มันมั่ที่ยวแถวมันไม่พวกใหม่ มีตัวใหม่เ น, นี่้อยเป็นเท้ไปเขาบอเห็นเขาไปไล่เนือมาแต่เนีปลาม้อหอดหันใกล้จะเขาบ้านประมาณจักกิโลหนึ่งเขาเลยซัดประมาณจะเขาบ้านสักกิโลหนึ่งเ ข, เ, เขาได้ซัดหอกเข้าไปแล้วไปถือพระถึอพระพระก็ถอดหอกออกข้านข้านพระมาณะกลองทุกพระก็เลยตายได้สําเร็จพระรหารพร้อมกับตายยู่มากยุ่มากเนี่ยคนเดร้อนได้ยินเสริมหอด ชาวบ้ า, บานชาวเมืองเพิ่งจะมาหาผู้หอกเข้าร็อกเห็นก๊อขึ้นภูเขาเพื่อทำบ้าบุญแล้วแล้วเอาไม้สักหอกบบ่มีเจต้านถึงยังนั่งกุมเว้นกันยังนําเล่าอยู่ว่าเห่ือนว่าอั น, นุเฮาหนิลูกแต่าขาไม่เกจต้าให้นในสิบบมุเว้นนี่ไผ่แต่ท่านลูกนี้ไม่เอามาถามเหมือน บ, บ, บอกบอกไม่หอดอคำคำแต่หาบอกไม่ก็บอกเห็นเหมือน ตื่นมันเศ้ามายากมันขึ้นมาฝันฝันเห็นขา้าวพวกเออตาเนี่ไปกินพวกเอาตานี่ไปกินตื่นขึ้นมานึกเห็นฝั น, นแก้ใ ห, ห้พระเกียให้หัวฟั่งเพระเ็สันดอนฟัง่งเฮ้ยน่าหลายฝันหลายขนาดขี่ร้ายขี่ของไงพระสันน่า้ า, ายฝันร้ายพสันหัวไป็นว้อันไปหาบอกไปหัวมันเหมือนกันว่า ไ, ได้แล้วึกษาทางว้วนทุกทุกแห่งก็เกิดเป็นอันมืดเงี้ยงะนักหนา ย่างอันว่าเหตุอันนี้จะปูเกิดเป็นแค่ปูหรือหรือหากว่าเกิดแก่สองวุฒตาลูกเต่าหรือจะได้แก่ผ้าหยอดเงาสอมช่านันกานั่นจาว่ะไอันนึงข้าน้องสวมแก่ตาพบอ้อมตาต่าง้างอไอยลำพระเกศสังพอลังค่อยคําวันตกตํารับตำผากูหาเที่ยวไปม่านนั่นหอดห้หานั่นข้าโบรานเห็นบอกมหาผัวคำคำว่าไงบอกยอที่สุดลูกเขาดีลูกเขาด้ีพิสัน เ ม, ม, มูปากใช่หรอว่าใปากมันมันมูห้าวราคากันตายกันหันหม้เมือไงส้มมันขั้นหน่อยใส้รถเนาะนี่บอลูกพอดีโนบมือพร้อมหมวปากใป้ยหาอยู่หันมืดคึ้นหัวมือเสาะขับไปลับมาขับไปขับมาอยู่หันวันนั่นเป็นวันที่เป็นเดือนเกียงเดือนเกียงวันเดือนยังแค่เดือนเกียง เงนอายทีแม่นเดือนนี้นเนาะเือนอ้ายต้องเดเจียงแม่นวะเออยงนอ้ายนางหายันเมื่อคืนหันมืเอเท่าต้งบอกรับไปครับมาว่า น, นันเป็นวันเดือนเจียงเพ่งายพอทุกซีซองสาราปัตตาวานางกอไปหอดจอดถึงหัวเงินจงกลุ่มอาสมวติสารานางบาเห็นสมุตตาลูกเต่ามานางงูเผาสารานางจึงถามเซิงพระบาทมาสองรายนาฏผุ่มม่าน อสุเตนะสุวหฮัวสองกล่อมท่านเจนไทยวดหลกไม้หอดหิ้วนมุมไปชูอาสมบวศราริยูพร้อมทั้งครูกันหาอัธุตินิขันตาหัวออกไปไผ่นอกเ่นแจคขอกศราในครูหาเทียนทาตายเด็ก ห, หน้าเน่ยนองลมพัดฟ้องนี่ยอเงือกหายจองลงว่างน้าอัดดังเข่าทองตายทั้งพี่ทั้งน้องแหละขอไม่ลือ้ออุ่นโลจะอ่านอุ่นโลดจะเป็นข้าภาษาบาลีอันว่าหัวอกแงงแงงคููแม่นี่หน้าเหมือนจะแตกจักจทลาย น่ก็ขึ้นต้นเหมือดแล้วแน่ขึ้นต้นแค่แล้วพอขึ้นต้นก้อแล้วค่อยขึ้นจอมดอยแล้วลาขึ้นต้นหมายตาแล้วหาพุ่นซาละพัดมือเศ้าคนจะค่อยบอกปานันโอ้ยสันตะกีกับบ่บอกคู่้าว่าสันนิว่าวยอดเต็มที่คำว่าบอกคู่ขาแต่ว่านคู่ขาข้าวอนุโมทนาสันอันนี้นั่งก็าเลยอนุโมทนาสาธุการแผนดินดานได้ไว้วันเสียงสนั้นเท่าต้องก้มสัน นามาหาสมุดกดตีน่องฟ้องฟาดนี่ยามาัธยีเอ้ยพราชั้นจงซอยพี่งสางพ่อ ท, ที่สมพานเด้อพี่ชั้นสองกุมานทาั้งคูหลูกแก่อยู่ก็ตนพีก็หายท่านแต่หมูว่ ว, ว่านนี่แล้วกว็พ่พีอะไรนาพี่ชั้นผ้ามันเขามาขอเนี่ยยอดที่สุดอันนี้เว้าเนี่ยขูกนึนซ้ำนี่ฟูมัธยีพระพุทธศาสนาที่เชื่อมสร้าดกเชื่อมเชื่อมสร้าดกพระเวทท็นันดอนกอนอกนว่าสมอี้ ว่าได้เหตุว่าได้เทศพิศารได้เสมอเนี่ยรับอรรถเนียนั่งันเท้าเนี่ยขากันตายข้าหันแม่นบนี่ไม่ยังมาข้าหน่อยว่างเฉลิมเนี่ยอันนี้บอเพิ่นพวขาวกันยังนบมือกันอยู่นั่นพ เ, เพราะแก้วมี10เพิ่นเห็นบอกทหามูาเ อ, อเท้ายังลูกเต้าพนกระทานได้มือเท้านี่ยท่าเงีนบาทเนี่ยจะบลุตายเหมืนแม่นบอก เพิ่นกับร่องทุนหลายเด้เพิ่นเข้าลกเรา่องทุนหลายทาเพิ่นหอกเพราะเข้ามาสางพุทธภูมิเด้เาสางสาวกสาววิกาเด้อเพิ่นกับแานชาตลูก่าตเจ้าจำวันนั้นท่านตาเพิ่นก็มีจ่อหายปุ่นก็มีวันนั้นแจ้งเลว่าเป็นพระเจ้าเข้าอันนี้เข้าสิคัวเอาของเพิ่นมาปฏิบัติกระทงยากว่านะเพิ่นเรียกว่าให้แล้วมีสร่างมื้อกินที่ตีก็โผล่เด้อว่าเอานี่คือห่วงน้องดีใจสนอเก่งกว่านายสนะ เออ